พวกที่ม่อยู่วัดส่งกันบ้านใจมันฟุ้งนะใจมันฟุ้งสัน้นกลับมารู้สึกตัว น, ะนั้นงใจมันจะทลำไปมันเป็นวิปัสสนูพยายามารู้สึกตัวรู้สึกตัวว ใจมันจะกลับเข้าฐานเงันใจมันจะกระโจนฟุ้งไปในธรรมะนะสังเกตใจไปเรื่อยๆใจสุขใจทุกข์ใจดีใจไม่ดีอะไรเนี่ยเฝรู้ความเปลี่ยนแปลงขณะเนี้ยใจดีกว่าแต่กี้แล้วรู้สึกไหมนะต่กี้มันฟุง้งนะนะเออเคอยรู้สึกอย่างนี้นะพอสมาธิเกิดเนี่ยมิปัสนูจะดับ มิปัสสนูนี้เกิดจากการที่เราเจริญปัญญาทำมิปัสนาแล้วก็กําลังสมาธิตกสมาธิไม่พอใจฟุ้งขึ้นมามิปัสสนูจะแทรกบาทีก็จะรู้สึกว่ารู้ธรรมะแล้วเข้าใจอะไรแล้วเยอะแยะของโยมยังดีว่าติดน้อยนะยังฝึกให้ใจมันอยู่กับตัวเองเนี๋ยมันก็หายไม่ยากหรอก คนต่อไปดังๆนะก็จิตมันก็ฟุ้งซ้านรู้ว่าฟุ้งซ้านแล้วก็เพ่งี่ยตอนนี้เพ่งเออนะจริงจาง ก, ก็มันก็โลภแหละ ค่อยอ่านใจตัวเองไปกิเลสอะไรเกิดแล้วค่อยรู้ทันนะอยากอยากดีอะไรเนงะี้ยรู้ทันมันคือตัวโลภะนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆโยมชุดขาวอะจิตมันถลําลงไปนะให้รู้ทันจิตเมื่อจิตถลำนะค่อยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่นั้นจิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไป นี่ก็คอยรู้ทันกิเลสนะใจมันโลภกรร็รู้ใจมันโกรธใจมั น, มนงุญหิดเลยก็รู้ไป น, ะ น, น อ, นอนั่นแหละมันบุดหิดนะนะให้รู้เอาเราพาวนาไม่ได้เอาดีเอาสวเอาสงบนะเราพาวนาเพื่อให้ใจมันเห็นความจริงนะสภาวะทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ ใ, ใจเรายอมไม่ได้ใจเราอยากดีอยากสุขอยากสงบแใ่ก็ดิ้นรนใจที่นรนใจก็กทุกข์เพื่อตอนนั้นเองนะใจยังฝุ้งอยู่นะสมาธิยังไม่พอเงั้นอยู่กับพุทโทอยู่กับลมหายใจใหายใจเข้าพูดให้ใจออกโธนะไม่ได้ทําเพื่อให้จิตสงบนะ หายใจเข้าพูดธหายใจออกโทคอยรู้สึกไปมันจะสงบก็ ร, รู้ทนันมันจะฟุ้งซ่านก็รู้ทนันจุดสาคัญเยอให้หายใจไปแล้วก็พูดโทไปส่วนจิตจะดีหรือจิตจะไม่ดีไม่สำคัญต้องฝึกก่อนต้องปรับฐานของสมาธิปรับฐานของสมาธิให้ดี <laughs> ใช่มีกระสับกระสายรู้สึกไหมมตื่นเต้นตื่นเต้นก็รู้เอาคือถ้าเมื่อไร่เราสามารถรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อนั้นปฏิบัติดีเมื่อไหร่ไม่รู้สภาวะน่ะ็ไม่มีสติรี่ว่าไม่ได้ปฏิบัติ เล่จใจเราเราบางคับไม่ได้เดี๋ยวสุขเดียเด๋ยวทุกเดี๋ยวทีเดี๋ยวร้ายสั่งมันไม่ได้นะต่างรู้มันไปอย่ารักษามันขณะนี้รักษามากไปนะดูออกไหมควบคุมมันเนี่ยคอยรู้ทันตัวเองไปนะมันฟุง้งซ่านก็รู้มันตื่นเต้นก็รู้มันพยายามประคองให้เรียบๆเงียบๆก็รูนะ้ดูอย่างนี้นะ อา้าวตัวนูน้นมาทางนี้หน่อยได้ไหมมันไกลไม่ได้ยินหับแก่แล้ ว, ลวเออคนที่เสียงดังดีเออใช่ได้จิตเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะ่ะใช้ได้นะ อ, อฟุง้งซ่านเราไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยใช้ไม่ได้ง่วงก็รู้วง่วงนะ ไม่ต้องแก่นะฟุ for for and, ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านสังเกตเลยพอฟุ้งซ่านแล้วใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบมันง่วงใจก็ไม่ชอบอีกอยากจะตื่นเนี่ยรู้ว่าไม่ชอบรู uh, ้ลงไปให้ถึงใจที่มันชอบที่มันไม่ชอบนะเห็นสภาวะแล้วชอบก็รู้เห็นสภาวะเราไม่ชอบก็รู้อย่างฟุ้งซ่านเป็นสภาวะธรรมพอเราเห็นแล้วเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ ใจจะเป็นกลางของโยมพอนาะใช้ได้นะดีอยู่วัดมีอีกไหมใครที่มาจากเนเธอร์แลนด์คนไหนที่ว่ามาจากเนเธอร์แลนด์จากฮอลแลนด์หนูดรวยฮะจากเ่นมากเหรออ้อาวส่งกันบ้านมา มาใกล้ๆหน่อยก็ได้ฮะอ๋อได้ได้นี่คนไทยมาจากยุโรปตอนนี้คนจีนเนี่ยเราไม่คุมแล้วนะเราคุมคนไทยอยู่ทางนี้ ูกโอนตแล้วลโั่งหลวงพ่อมาเสาตึาแล้วก็แล้วต้องลุกข้าด้ยแลวตอนนี้เรกวันที่เราลงกยนูกนกับเรืแล้วก็โค้งเ่อนโค้งตามสิ่งที่หลวง่อที่โค้งเข้าไปอัดเสร็จแล้วกองสิ่งคือกห้อยู่บหน่นต้องไปได้เป็นอัดต้องถูกต้องตลอดเวลาแต่ว่าแล้วหลองพ่อก็บอกว่า ได้ยินถามเดียวว่าก็เอาใจวางให้ถูกแล้วก็ตัวอะไรมันลมปราันสั่มันกลับไปเราเราจะไปบังคับใจให้ดีนะให้เกิดปัญญาตลอดเวลาไม่ได้หรอกมันเกิดเองอย่างเวลาใจมันจะวางอะไรมันก็วางออกมาเองนะอย่างเราเจตนาจะให้ดีนะมันดีไม่ได้ไปหาหมอหรือเปล่า ถ้าเป็นมากก็ต้องอาศัยหมอนะถ้าถ้าเป็นไม่มากนะก็ช่วยตัวเ อ, อ, อ, วององสังเกตที่ใจนะใจมีความอยากขึ้นมาก็รู้ทันเช่นอยากอยให้จิตใจมันสบา ย, ยอยากให้ใจมันเบาเรารู้ทันความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ มันไม่ใช่เป็นทางให้พ้นทุกข์แต่การที่เรามีสติมีปัญญารู้ทันใจที่อยากเนยะเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้ใจเรายอมรับความจริงได้ว่าจิตใจเนี่ยในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครบังคับมันได้หรอกนะถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้นะใจมันจะหมดความดิ้นรนใจที่หมดความดิ้นรนไม่จะหมดความทุกข์นะ คือถ้าเรากังวลรู้ปัจจุบันเราไม่ได้ไปไหนเลยเราจะรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆน้อนๆในปัจจุบันไปเรื่อยๆแล้วก็พอเรารู้ความรู้สึกแล้วนะววอย่างใจเรากังวลเงนี้แล้วเราไม่ชอบเงนี้รู้ตันทันที่ใจชอบใจไม่ชอบนั่นจะรู้สองสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งรู้ความรู้สึกที่กําลังเกิดขึ้นสเต็ปที่สองจิตมันจะมีปฏิกิริยา มันจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างรู้ที่ชอบรู้ที่ไม่ชอบพอเรารู้ที่ชอบรู้ที่ไม่ชอบแล้วจิตจะเป็นกลางนะพอจิตเป็นกลางแล้วเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายะเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านนะคนหน้าตาดีหรือคนหน้าตาไม่ดีมันมาแล้วมันก็ไปความรู้สึกทุกอย่างมันจะผ่านมาแล้วผ่านไปใจจะไม่หลังเจียดมันะในะใจเราที่มันทุกข์นะเพราะมันดิ้นรน ใจมันดิ้นรนนะเพราะว่ามันอยากอย่างนี้มันไม่อยากอย่างนี้มันมีตัญหามีความอยากใจก็เกิดการดิ้นรนนะนี่เราคอยรู้ทันใจมันอยากเรารู้มันชอบอันนี้มันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นมันไม่ชอบอันนี้มันก็อยากให้หมดไปสิ้นไปทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นใจก็ยิ่งดิ้นมากกว่าเก่าแล้วใจดิ้นเนี้ยจะทาให้ใจทุกข์นะ ถ้าใจเห็นความจริงเรื่อยๆไปความอยากเกิดขึ้นรู้ทันมันจะดับว่าความอยากดับใจจะไม่ดิน้นถ้าใจไม่ดิน้นใจจะไม่ทุกข์นะเออนั่นแหละที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะมันจริง ปัญญาปัญญามันเกิดนะพอปัญญาเกิดนี่มันก็วางนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่มักนะมันยังไม่ใช่ปัญญาในอริยมักม่เป็นวิปัสสนาปัญญาของเราถูกถูกแล้วนะ เมือ่ อ, อ, อ, อ, อที่ภาวนาไปนนะโลกทั้งโลกหายไปเลยนะเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อันเดียว <im> ทุกอย่างหายหมดเลยร่างกายยังหายเลยนะโลกธาตุดับไปหายไปเหลือแต่ความรู้สึกอยือันเดียวนะอย่างนั้นใช้ได้ ได้อยูอ่สมาธิก็ใช้ได้นะแต่เพียงแต่ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานจิตมาออกมาที่หลวงพอ่อเนี่ยรู้ว่ามีปิติใช่ไหมเนื้อปิติเป็นสภาวะมีปิติรู้ว่ามีปิติถ้าจากนั้นถ้าเราพอใจในปิติชอบรู้ว่าชอบนะปิติดับไปแล้วเสียดายรู้ว่าเสียดาย เนี่ยดูอย่างนี้เลยดูเป็นปัจจุบันเป็นช็อตๆไปเลยนะภาวนาดีแล้วล่ะใช้ได้ไม่ต้องไปถามพระทั่วๆไปนะเขาไม่ได้ภาวนาจริงหรอกเมนียวพาเราเตลิดเปิดเปิ่มไป ถึงบอกให้ว่าไปถามคนที่เขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่รู้เรื่องหรอกเพื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันไปนอเดี๋ยให้คนเห็นบ้างยมกลับไปนั่งที่เดิ ม, <laughs> มยังไม่โดนกับบริเวณสิบสี่วัน <laughs> พวกเราว่ามีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสปฏิบัติก็รีบทำซะยังคนต่างชาติกว่าจะได้เรียนนลำบากมากเลยคนจีนมาเรียนเขาลำบากกว่าเราเยอะเลยพูดกับหลวงพ่อตรงๆเขาไม่ได้หลวงพ่อนะ่ะรู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่หลวงพ่อบอกเขาไม่ได้กว่าเ่าจะเรียนกันรู้เรื่องต้องมีคนแปล คนแปลเขาหายากนะใหม่ๆก็แปลได้ไม่กี่เปอร์เซนต์หรอกแต่ถูกบ้างผิดบ้างนะกว่าจะแปลการรู้เรื่องนะก็ต้องฝึกหลายปีนะนี่ฝึกมาหลายปีเคย อ, อยู่วัดหลงพ่อคำเขียนอะไรเงี้ยเนะ น, นคนต่างชาติเนยะเขาเรียนยากมากเลยคนไทยที่ไปอยู่ต่างชาติเนะี่ยเขาก็ลำบากเนะี่ยเขาก็มีปัญหาสงสัยเนะ่ย ไปถามพระทั่วๆไปนะอานจะตอบไม่ได้หรอกท่านก็มัวเอาดีไม่ดีคนภาวนากลังดีนะไปบอกเขาผิดนะเขาพลาดไปเลยเสียโอกาสางี่นเราอยู่เมืองไทยฟังหลวงพ่อรู้เรื่องมีปัญหาถามหลวงพ่อได้หรือถามผู้ช่วยสอนได้ได้เปรียบบอกเขาเยอะ นี่ถ้าเราได้เปรียบแล้วเราก็นิ่งนอนใจนะวันหนึ่งวันเวลาผ่านไปหลวงพ่อไม่อยู่ผู้ช่วยสอนไม่อยู่อะไรอนยะ่างงี้ะไม่มีใครสอนเร า, าไปถามใครต่อใครก็มั่วๆไปโอกาสผิดพลาดก็สูงงั้งนรีบภาวนาตั้งแต่ตอนนี้ทำผิดหลวงพ่ อ, อยังเห็นได้อย่างโยมเนี้ยจิตเป็นมิปัตสุขขึ้นมามันฟุ้งในธรรมะ มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็แก้ให้ได้ทันทีถ้าไปถามใครต่อใครก็อาจจะบอกอดีจังเลยธรรมะนะหลวงปู่มั่นท่านก็สอนนะว่าธรรมะพอเข้าไปอยู่ในจิตปุถุชนนะมันกลายเป็นธรรมะปลอมเรียกสัตธรรมปฏิรูปงั้นเไม่ใช่จะไปเรียนที่โน้นที่นี่มั่วๆไปนะยิ<ม>่งเสีย ตั้งหักตั้งใจเรียนสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วนะพยายามเรียนเข้าไปแต่ถ้าเรียนแล้วมันไม่ถูกจริตจริงๆก็ค่อยไปเรียนที่อื่นคลยๆบางคนมันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าใจธรรมะต้องสะสมอีกก็ไปสะสมสร้างบุญบารมีไปทาทานรักษาศีล ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับตัวเองไปได้ไปเจอพระเมธไทรพระสิยานมาจัดสรูเราไปเรียนต่อนี่จะไปได้เร็วมากถ้าเราไม่เคยฝึกตั้งแต่วันนี้ไปเจอพระสิยานท่านก็สอนไม่ไหวไม่ใช่ทุกคนที่เจอพระสิยานแล้วจะบรรลุมรรคผลคนที่จะบรรลุมรรคผลได้เนื่องบัณฑมันเต็ม มรนมีมเต็มนะเพราะว่าได้ฝึกมาไม่ใช่อยู่ลอยๆแล้วก็ได้มาอย่างพวกเราบางคนภาวนานได้ผลเร็วได้ในเวลาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีบางคนทำตลอดชีวิตนะทุ่มเทยังไงก็ไม่ได้มันอยู่ที่สองประการทัาหนึงเรามีต้นทุนเดิมมากพอไหม ต้ทนทุนเติมก็คือเราเคยภาวนามาไหมถ้าเคยภาวนามาเนี่ยเมื่อทีจิตมันกระทบอะไรตอนเด็กๆนะมันใจมันดีดผางขึ้นมาเลยอย่างหลวงพ่อตอนสิบขวบนะไฟไหม้ข้างบ้านหลวงพ่อเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวเล่นอยู่ข้างหน้าบ้านริมถนน น, นะกับเพื่อนบ้านเด็กด้วยกันเยอะแยะเลย หันไปเห็นไฟไหม้ะตึกแถวข้างๆแถวเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างออกไปสี่ห้าห้องว mm ันเนี่หลังพุ่งออกมาคน ว, วิ่งออกมาแล mm ้ hmm. วพ่อตกใจนะไฟไหม้เราก็ตกใจคว้าลูกหินได้ไม่ไม่ขาดสติยนทิ้งลูกหินไปนะคว้าลูกหินได้แล้วก็วิ่งเลยจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้เก้าที่หนึ่งยังตกใจเก้าที่สองยังตกใจอยู่ เก้าที่สมเนี่ยสติมันย้อนกลับเข้ามาเห็นความตกใจม็นเห็นจิต ท, ที่ตกใจความตกใจขาดสบั้นเลยจิตนะดีด ต, ตัวขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไม่มีความกลัวไม่มีความตกใจเหลืออยู่เดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้แล้วเราก็ยืนดูคนอื่นเขาวิ่งไปวิ่งมาไปช่วยกันดับไฟนะเขาตกใจเราเป็นคนดู เนีจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาสิ่งเหล่าเนี้ยอยู่ดีๆมันไม่เกิดออกมันต้องฝึกเนะพอเราฝึกไว้ใต้แต่ชาติเนี้ยถ้าบุญบา ร, รมีเราพอเราก็ได้มากผลในชาตินี้เลยถ้าบุญบา ร, รมียังไม่พอนะชาติหน้ามันภาวนา ง, ง่ายนะมีอะไรมากระทบแรงๆทีเดียวจิตก็ทํางานขึ้นมาได้เองเลยนะมีพระองค์หนึ่งท่านก็มาเล่าให้ฟังนะบอกตอนยังไม่บวชเป็นวัยรุ่น ไ่เที่ยวงานลอยกระทงถ้าเดินเดินไปไม่ทันระวังตัวนะเข้าไปใกล้ๆจุดที่เขาจะจุดพลุไม่รู้ว่าพลุมันอยู่ตรงข้างๆตัวห่างเมตรสองเมตรนเองพอนะ ถ, ถึงเวลาพอเขาจุดพลุเรี่ยงขึ้นมานะท่าบอกจิตมันตกใจพวามตกใจน้ำสะเทือนวับมันมันเห็นจิตที่ตกใจนะจิตเป็นคนดูแล้นะอันนะี้ท่านก็เคยภาวนานะ ่อได้ผลเร็วได้ผลง่ายเขาเคยทำเนี่ยจุดที่หนึ่งนะเคยสะสมมาจุดที่สองก็คือมาต่อยอดได้ถูกต้องนะปฏิบัติได้ถูกปฏิบัติได้ได้มากพอได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นกรรมเก่าบวกกับกรรมใหม่กรรมเก่าเคยฝึกมาดีกรรมใหม่ได้เรียนรู้ธรรมะนะลงมือปฏิบัติต่อยอดมันจะไปได้เร็วนะ นี้ถ้ากรรเก่าดีมีบุญมากนะแต่ก็ขี้เกียจปฏิบัติไม่ทํากรรมใหม่ที่ดีมันก็เสื่อมนะก็ยังไม่ได้หรือขยันภาวนาภาวนาดีภาวนาถูกแต่ต้นทุนเดิมมันน้อยนะมันก็ยังไม่ได้เพราะนั้นะบางคนได้เร็วบางคนได้ช้าบรนะรู้มากผลเร็วบรรู้มากผลช้านะมันมีเหตุทำสิ้น ถ้าบารมีมันเต็มนะมันก็บรรู้เร็วถ้าบารมีน้อยก็มารู้ช้านะอินรี่แก่กล้าเข้ามารู้เร็วนะอินรี่ไม่แก่กล้าเข้ามารู้ช้าอินรี่มีห้าตัวมีศรัทธามีความเพียรมีสนตะิมีสมสาธิมีปัญญาถ้าเราเคยสะสมสี่เหล่านี้มาแล้วอินรีย์เราแก่กล้าแล้วมาปฏิบัตินิดเดียวเท่านั้นก็บรรู้แล้ว เห็นบางคนบรรลุเร็วบางคนบรรลุช้าถ้ายินสียแก่กล้าจะบรรลุเร็วนะ่ะเรียกว่าขีปนาพิญญาถ้ายินทรีไม่แก่กล้าจะบรรลุช้าเรียกว่าทันทาพิญญานะบรรลุเร็วบรรลุช้านะนี่บางคนภาวนานะยังมีได้สองแบบภาวนาไปอย่างสบายๆเป็นสุขาปฏิปทาบางคนต้องลําบากโอดกินอดนอนทรมานมากตรัสถามมากถึงจะได้ผล เหรือพวนี้เรียกว่าทุกขาปฏิปทาเราเลือกเองไม่ได้ว่าเราจะปฏิบัติสบายหรือปฏิบัติลําบากนะมันอยู่ที่กิเลสของเราถ้าเราสะสมกิเลสมามากเนะี่ยการปฏิบัติจะลําบากต้องทรมานมากสู้กับกิเลสอย่างรุนแรงบางองค์ก็ไม่ค่อยอยากฉันข้าวนะหลายๆวันฉันข้าวทีหนึ่งอะไรเงี้ยบางองค์ก็ไม่นอนอดนอ น, นหลายๆวันนอนทีหนึ่งอะไรเงี้ยมี ลำบากเดินชงโครมหามลุ้งหามคําพวกเนี้กิเลสมันแรงถ้าปฏิบัติสบายนะกิเลสมันยิ่งฮึกเหิเมเะฉะนั้นกิเลสแรงเนี่ยมันจะต้องอึดต้องทนมากๆปฏิบัติเหน็ดเหนื่อยมากถึงจะทรมานกิเลสได้ท่านเปรียบเทียบเหมือนการฝึกหมาม้าบางตัวเป็นม้าพยศนะจะต้องทรมานมันให้มันเหน็ดเหนื่อยมันถึงจะยอมเชื่อง ม้าบางตัวเป็นม้าเชื่องนะม้าดีสอนง่ายพวกนี้ไม่ต้องทรมานถึงเวลาก็ให้กินหญ้าพาไปวิ่งพาไปเดินนะมีความสุขอาบน้าให้อะไรให้นะม้าอย่างนี้ฝึกง่ายนะมันอยู่ที่ตัวมา้าเองจิตเห่านี้ก็เหมือนม้านะบางคนนี้เป็นม้าดือ้อบางคนนก็เป็นมา้าว่าง่ายสอนง่ายพวกม้าดือ้อพวกกิเลสแทงพวกนี้ฝึกลำบาก ไม่ใช่ครูบาอาจารย์แกล้งทรมานเรานะบางคนหลวงพ่อก็ฝึกทรมานมากมากเลยกว่าจะสอนธรรมะให้นะี่ก็ฝึกบางคนก็ง่ายๆนะกิเลสเบาบางแนละ้วก็ฝึกง่ายในนิ้เดียวก็ใจเขาก้าวกระโดดเลยนี่มันจะมีธรรมะอยู่สองกลุ่มนะฮะ ห, หนึ่งปฏิบัติสบายปฏิบัติลำบาก ปฏิบัติสบายปฏิบัติลาบากไม่ใช่ปฏิบัติตามใจเราถ้าคนไหนกิเลสเบาบางเนี่ยปฏิบัติสบายสบายก็บรรลุแล้วคนไหนกิเลสหนาพ็ปฏิบัติลําบากถึงจะบรรลุอย่างหนึ่งบรรลุเร็วบรรลุช้าบางคนปฏิบัติลําบากนะกิเลสแรงนะแต่บรรลุเร็วเพราะว่าสะสมบารมีมาเยอะกิเลสเป็นฝ่ายชั่วบุญบารมีอินทรีย์ทั้งหลายของเราเป็นฝ่ายดี นะชั่วก็ดีไม่ล้างกันนะเราเราทำชั่วด้วยสะสมบารมีสะสมศรนะัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ทำแต่บาปก็ทำไปด้วยอันนี้กรรมชั่วก็ทำนะกรรมดีก็ทำพวกนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยจะปฏิบัติลำบากแต่บรรลุเร็วจนะปฏิบัติลาบากแต่บรรลุเร็วนะไม่ใช่ว่า คนไหนทำความดีแล้วก็ทําความชั่วด้วยแล้วมันจะมาหักล้างกันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่ใช่บุญกับบาปไม่ล้างกันทําบุญก็ต้องรับผลของบุญทําบาปก็ต้องรับผลของบาปไม่มีการแก้กรรมการแก้กรรมไม่ใช่าศาสนาพุทธนะทํากรรมดีก็ต้องได้รับผลทํากรรมชั่วก็ได้รับผลงั้นอย่างเราทํากรรมดีเราสะสมศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามามาก ในขณะเดียวกันนิสัยเราก็ไม่ดีขี้มโมโหด่าคนนอนเตะคนนี้ไปเรื่อยนะอย่างเงี้ยกำชั่วมันก็แรงเวลาเรามาปฏิบัติก่เลสแรงปฏิบัติสบายเนี่ยจิตมันไม่ลงจิตมันไม่ยอมต้องปฏิบัติลาบากบางคนเขปฏิบัติสบายงั้นบางคนนะปฏิบัติสบายด้วยบรรลุเร็รวด้วย เพราะว่ากิเลสเบาบางอินทรีย์แก่กล้าบางคนปฏิบัติสบายบรรลุช้าเพราะว่ากิเลสเบาบางแต่อินทรีย์ยงไม่แก่กล้าปฏิบัติสบายแต่บรรลุช้าบางคนปฏิบัติลําบากบรรลุเร็วเพราะกิเลสก็แรงอินทรีย์ก็แก่กล้าบางคนปฏิบัติช้าลําบากด้วยได้ผลช้าด้วยพวกนี้สะสมกิเลสมามาก สะสมินสียมาน้อยนะเราั้นมันยุติธรรมนะเราเห็นใครเขาบรรลุเร็วอย่าไปอิจฉาเขาอนุโมทนากับเขาเราจะได้บุญด้วยเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะดูตัวเองดูคนอื่นเขาเอาหันไปทธนุดนนะก่อนจะทานข้าวนะไปล้างมือซะ น, นะก่อนจะทานข้าวไปล้างไม้ล้างมือให้ดีนะ จะไะเคนอาหารจะจัดอาหารนะก็ล้างมือสก่อนนะยามือเลอะๆเพจัดอาหารไม่ดนะีเวลาเราจะจัดอาหารถาวายพราถ้ามีถุงมือให้ใช้ก็ใช้ไปนะถ้าไม่มีเนาะพยายามล้างมือเอาล้างให้สะอาดประเคนจะอะไรพวกพระเองก็เหมือนกันโนะรยเฉพะาะรลาฉันอารับของ ก่อนกจะฉันอาทาล้างมือใช้หงินก็หะห้อาพระอืนก็เหมือนกันนะ